ตัวที่ละสมุทัยจริงๆอ่ะนะตัวที่บริจาคจริงๆอะ่ะคืออะไรคือมักหรือเรื อ, อ น, นี้นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าว่าให้ตรงก็คือเจริญสติสัมโพธิชงเนี่ยโอนมาหาธรรมะเหล่านี้ทั้งหมดท่านบอกว่าแม่น้ําทุกสายเนี่ยนะสายใหญ่ๆนี่โอนไปไหนโอนเพื่อลงทะเลฉันใดเนี่ยนะเจริญธรรมะทุกอย่างนี่ให้เอียงมาหา ธรรมะเหล่านี้หมดก็เรียกว่าโอนไปโนป้มไปเงื้อมไปอะไรก็คือสรุปแล้วมันต้องไปทางโน้นทางนั้นเถอะอันนี้ก็เหมือนการไปเพื่อให้เกิดธรรมะเหล่านี้เนีย่ยนะอันนั้นก็เจริญกุศลธรรมเพื่อเพื่อโลกุตรธรรมเหล่านี้ทีนี้ถ้าไม่โอนไปหามัคละกิเลสไม่ได้ถ้าไม่โอนไปหานิพานสงบประงับสังขารไม่ได้นะก็เลยต้องโอนมาหาธรรมะสองประการเนี่ย ทบโทนอีกครั้งหนึ่งนะว่าถ้าไม่โอนไปหาอริยมรรคละกิเลสไม่ได้ถ้าไม่โอนไปหานิพพานสงบสังขารไม่ได้เนี่ยนะอริยมรรคเป็นตัวประหารกิเลสนิพพานเป็นสภาพที่สงบประงับจากสังขารเพราะฉะนั้นก็ให้กุศลธรรมเหล่านี้งอกงามไปโดยลำดับเหมือนเหมือนวันก่อนที่ที่ทเขียนภาพให้ดู เนี่ยนะถ้าถ้าจะทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะเอาอาริยสัจมาตั้งคืออนะทุกสมุทยัยเนี่ยนะมรรคแล้วก็นิโรธเนี่ยนะทุกขกสมุสมทัยเนี่ยคืออะไรถ้าว่าให้ตรงก็คือวิปลาส เนี่ยนะวิปลาสหรือกิเลสเนี่ยนะหรืออนุสัยหรือสังโยชน์เนี่ยนะหรือโอฆก็ว่าไปจริงแล้วทาห ม, มดก็เพื่อขยายคำว่าสมุทยัยที่นี้ทุกเหล่านี้คืออะไรตัวทุกนะคือขันอาญตนะ ททสิ่งเหล่านี้ที่เป็นไปโดยเหตุปัจจัยเรียกว่าปฏิจจ์เนี่ยนะที่กระแสเป็นไปเนี่ยนะก็คือกระแสแห่งวัฏททุกขนั่นเองเนีย่ยนะกระแสแห่งวัฏททุกนะทุก ข, ขศสตร์จะเรียกว่าขันก็ได้ยตนาก็ได้ธาตุก็ได้ปฏิจจ์ก็ได้หรือเรียกนะอินทรีย์ก็ได้เนี่ยนะทีนี้บุคคลผู้ผู้ที่จะเจริญเพื่อรู้แจ้งธรรมะเหล่านี้เนี่ย อันนะก็ฐานฐานตัวแรกๆก็ต้องอะไรศีลศีลเนี่ยสำคัญอยู่แล้วถือว่าเป็นแผ่นดินอยู่แล้วในศาสนานี้ถือว่ามีศีลเป็นเป็นแผ่นดินเป็นใหญ่เป็นเป็นประธานเป็นที่ตั้ ง, งนะเหมือนการงานทุกชนิดต้องทาบนพื้นดินหรือว่าต้นไม้ใบหญ้าทุกชนิดถือว่า ง, งอกบนแผ่นดินเนี่ยนะแล้วก็เจริญเติบโตันในศาสนานี้ถือว่าศีลทีนี้พอพูดถึง อาศัยศีลแล้วเป็นบาตรมาเจริญอะไรเจริญสติสติวิริยะแล้วก็สมาธิเท่ากับอะไรสมรถะผนไครที่เจริญนะบอกว่าเน้นเจริญสติถ้าว่าให้ตรงโดยองค์ก็คือเจริญสมถะผู้ที่บำเพ็ญเพียรก็คือบำเพ็ญสมถะว่าให้ตรงองนะ เจริญสมาธิก็คือส ม, มถ ะ, ะพวกนี้รองรับอะไรรองรับสัมมาทิฏฐิรองรับสัมมาอะไรสังกัปปะเนี่ยนะทั้งหมดเหล่านี้เมื่อบริบูรณ์เมื่ อ, อไรเรียกว่าเรียกว่ามัชเนี่ยนะคือคือเมื่อศีลส ม, มถะวิปัสนาบริบูรณ์นั่นแหละเรียกว่ามัชเนี่ยนะ ทีนี้ในการเจริญธรรมะเหล่านี้ท่านท่านถือเอาอะไรเป็นหลักเีย น, นะตัวที่เป็นตัวที่ได้การได้งานจริงๆนะคือตัวนี้คือคือสัมมาทิฏฐิตัวได้งานได้การจริงๆแต่ว่างานเหล่านี้จะไปได้มากหรือไม่มากนะอยู่ที่อยู่ที่องค์ประกอบอย่าลืมว่าถ้าถ้าเป็นเหมือนกับมีดอะนะสัมมาทิฏฐิมันเหมือนกับคมมีดอะตัวคมเฉยเฉย มันจะตัดได้ลึกได้มากได้น้อยอยู่ที่คมแต่ปฏิเสธสันได้ไหมปฏิเสธหินลับได้ไหมปฏิเสธที่จับได้ไหมปฏิเสธกำลังปฏิเสธที่ยืนที่ยังอื่นได้ไหมก็ไม่ได้จะเข้าลึกเข้าน้อยอยู่ที่คมแต่ว่าจะขาดหรือไม่อยู่ที่องค์อื่นๆเนี่ยนะทีนี้ถ้าว่าโดยรวมๆไปแล้วถ้าถาจะกล่าวแยกๆ ก, กันว่าเอาสัมมาทิฏีิในฐานะเป็นคมอ่ะนะ ฐานะเป็นคมถ้าหากว่าเห็นสิ่งเหล่านี้โดยความเป็นขันอายตนะธาตุละอะไรละอัตตาวิปลาสในในทุกเหล่านี้คือจริงๆแล้วนะที่ที่ศัตด์ทั้งหลายวิปลาสวิปลาสในอะไรก็วิปลาสในขันอายตนะธาตุนั่นเองที่วิปลาสนะวิปลาสในขันอายตนะธาตุวิปลาสว่าเป็นอะไรเที่ยงศุขอัตตา คือไอวิ ป, ปลาดอันนี้เนี่ยนะพระอริยะท่านท่านรังเกียจว่ามันเป็นเหตุแห่งการเกิดในภพต่อไปสมุทัยอันใหม่เนี่ยนะที่ที่ผู้ใดไม่ทำกิจในการรอบรู้ถึงขันอายตนะธาตุเหล่านี้ไอโอเรียกว่าท่วมทับในสิ่งเหล่านี้โอฆาสังโยชนุสกิเลสกิเลสวิ ป, ปลาดที่มาเข้าใจผิดอันเนี้ยไอพวกเนี้ยมันคือเชื้อของอะไร คือเชื้อของขันต่อไปเนี่ยนะแต่ที่ท่านพิจารณาขันอายตนะธาตุอันนี้ในฐานะว่าเป็นผลของโอคโยคาสังยชนอนุัยกิเลสในในอดีตเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเวลาอย่างที่เราจะนิยมใช้คำว่าพูดว่าทุกสมุทัยนิโรธมัจนะเวลาเราพูดถึงทุกนะเอาอะไรดีสักอย่างหนึ่งมามาม า, มามองให้เป็นอริยสัจเนี่ยนะ คืออย่าลืมว่าวัตถุที่จะสงเคราะห์เป็นอริยสัตว์ตรงๆนั้นหมายถึงวิบากและกรรมชรูปเนี่ยนะเช่นอย่างที่เราคุ้นเคยคือเอาจากักรุมาตั้งจกักรสุเป็นเป็นขันเป็นอายตนะเป็นาตาเป็นปฏิจจะเป็นอินทรีย์เนี่ยนะถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้ละอะไรได้ก็ละอัตตาวิปลาสในในในจักสุเพราะเราไม่ได้สาคัญว่าจากักรุเป็น เป็นใครสําคัญว่าอะไรสําคัญว่าจักสเุเป็นเป็นจักสุถ้าใช้คําว่าจักสุก็อยู่ในจักขวายตนะใช่ไหมหรือเป็นจักขู่ทาดเสร็จแล้วก็ละความสําคัญผิดในจักสุแต่จักสุเหล่านี้เนี่ยนะตันหาในก่อนตันหาในกนนารก่อนถือว่าเป็นเหตุของจักสุที่ที่มีตาเห็นกันนี้ถือว่าเป็นผวงของตันหาในอดีตเนี่ยนะเพราะงั้นก็เรียกจักขู่สมุทยัยเนี่ยนะ ถ้ากับสมุทัยนะจักขูจกัจกขู่สมุทยัยแล้วแล้วมันจะไปจบที่ไหนจักสุเ น, นี่ยนะเมื่อสองสิ่งนี้ไม่เป็นไปเรียกว่านิโรธเนี่ยนะเมื่อทั้งสองสิ่งเนี่ยไม่เป็นไปคือสมมติว่าทิ้งจักสุอันนี้แล้วไม่ถือเอาจักสุอันใหม่เลยเนี่ยนะเพราะเข้าถึงธรรมะใดธรรมะนั้นเรียกว่านิโรธ ะะเพราะเข้าถึงธรรมะใดธรรมะนั้นเรียกว่านิโรธทีนี้น่าคิดว่าหนึ่งะจะรู้ว่าจักรสุจักระสุสมูทัยไม่เป็นไปเพราะเข้าถึงฐานะใดฐานะนั้นเรียกว่านิโรธแล้วจะต้องรู้ว่าจักรสุกับจกักระขูสมูทัยมันเป็นอะไรก่อนจึงจะแทงตลอดอันนั้นได้ไม่ใช่ว่าอยูย่ๆนะเออวิ่งไปยุดเบรคแล้วก็หยุดเลยไม่ใช่เป็นแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นหนึ่งต้องรู้จกักระขูโดย รู้ยังไงรจรึงจะละวิปลาสพวกนี้ได้ <S <S เนี่ยนะรู้ชัดคือถ้ายัางละวิปลาสในจักสูไม่ได้อย่างไรเสียก็ไม่แทงตลอดจักสูนิโรธเป็นแน่นี่อย่างหนึ่งนะอีกอย่างหนึ่งถ้าไม่เห็นโทษของของสมุทัยเหล่านี้นะยังไงก็แทงตลอดฐานะนั้นไม่ได้เห็นนะเพราะฐานะคือนิโรธที่ว่าหนึ่งนะถ้าว่าไปให แบบสำนวนว่า ง, ง่ายที่สุดก็คือให้เห็นว่าเป็นอันนี้จังทุกขังอนัตตาถ้าเห็นอย่างนี้จะละวิปลาสได้เนี่ยนะก็จกักท่านบอกว่าไม่ถือนิมิตในนิมิตให้เห็นจากสู่เป็นนิมิตให้แทงตลอดอนิมิตไม่มีนิมิตคือจากสูส่นะมองจากสู่เป็นที่ตั้งแทงตลอดธรรมะที่ไม่มีที่ตั้งเนี่ยนะ ที่บางกลุ่มเขาชอบใช้คำว่าให้เข้าถึงความว่างก็ใช้คำแบบนั้นนะกล่าวว่าให้เข้าถึงสภาวะที่ว่างแต่ทั้นถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าเน้นเข้าไปให้เหมือนกับให้จิตไปมีอากาศเป็นอารมณ์แทนแต่ไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าถ้าเราไปไปขับเน้นข้างนอกเกินไปนะเราก็จะไปเห็นสมมติว่ามุ่งจะแทงตลอดอากาศหรือที่ไหนก็ไม่รู้ถ้าอย่างนั้นก็ผิดถามว่า ท่านให้ท่านเกาะอะไรไว้ก็บอกว่าให้เห็นจากครูโดยความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วมุ่งธรรมะที่สงบจากสิ่งเหล่านี้โดยสิ้นเชิงเนี่ยนะอันนั้นเป็นนิโรธสัจจะแต่แต่ไม่ใช่ว่าโหไปค้นหาอะไรนะที่มันโล่งๆว่างๆสักแห่งหนึ่งเนี่ยนะาหาอากาศสักแห่งหนึ่งก็ก็ผิดอีกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่เห็นพระนิพพานอย่าเพิ่งทิ้งอันนี้อ่างนั้นเถอะสํานวนนะถ้าไม่แทงตลอดนิโรธอย่าทิ้งทุกขกับสมูทายเด็ดขาด ทิงเมื่อไหร่เปอร์เซ็นต์เลยธงเนี่ยมีทันทีเพราะคนที่ที่จะอนุมานว่านิพพานถูกต้องคนนั้นคือพระโสดาบันคนที่เหลือคาดไม่ถูกหรอกว่ามันเป็นยังไงต้องเทเดยวเอางี้นะว่าคนที่จับติดมาตลอดนั้นไม่รู้หรอกว่าปล่อยมันเป็นยังไงเนี่ยนะแล้วก็ให้เห็นจกักขู่โดยอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ตลอดทีนี้ถามว่าจําเป็นหรือที่ที่จะต้องเห็นจกักขูโดยความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตลอด บอกจําเป็นถ้าถ้าไม่เห็นโดยความเป็นอนิจจังนะวิโมกเกิดไม่ได้เนี่ยนะวิโมกคืออนิมิตตาวิโมกเกิดไม่ได้ถ้าไม่เห็นจักขุเป็นทุกข์อปปนิหิตาวิโมกเกิดไม่ได้ถ้าไม่เห็นโดยค ว, นะวามเป็นอนัตตาสุญญาตาวิโมกเกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าจะค้นนะก็ต้องค้นให้เจอมักในณณณตแหน่งนี้เนี่ยนะว่า จำสูตรไว้คร่าวๆที่ว่าจักขูตัณหาในการก่อนเป็นเหตุเกิดจักขู่เรียกจักขูสมุทัยถ้าทุกเหล่านี้ไม่เป็นไปนะเรียกว่าจักขูนิโรธข้อปฏิบัติที่แทงตลอดจักขู่ละสมุทัยแล้วบรรลุสภาพที่สงบจากสิ่งเหล่านี้เรียกว่านิโรศจักขูนิโรธเนี่ยนะ ก, ก็แล้วก็เพ่งอย่างเงี้ยนะผู้ที่เจริญพู้านุสติมากก็ ตามระลึกถึงพุทธคุณที่พระองค์ว่าเออนี่พระองค์แทงตลอดจักรคุนะอย่างงี้นะโสตขานะชิวหากายรูปเสียงกลิ่นรสโภตาภเนี่ยนะก็ไล่ไปอย่างนี้ให้ให้ชำนานอย่างนั้นเถอะก็คือถามว่าดีกว่าคิดเรื่องอื่นไหมถ้าดีก็แสดงว่าเห็นเป็นสาระก็รู้สองตัวนี้แ้กนรู้อัดรู้ทำเป็นคำเป็นเป็นโหที่ถูกใก็ถ้ารู้อย่างนี้เรียกว่ารู้อัดรู้ท คำว่ารู้อัดรู้รมนี่เป็นศัพท์ที่ที่กว้างเ น, น, นเจิญพออ่นะถ้าถ้าใช้คำว่าอ่านะย้อนใหม่นะจากขูจากขูสมุทยมยัยเนี่ยนะถ้าแทงตลอดอัดของจากขุจริงๆนะจากขุที่นี้เนี่ยไม่ใช่เน้นไปที่อื่นเน้นมาที่อะไร เน้นมาที่ความเป็นทุกข์สัตย์ถามว่าถ้าเห็นจักขู่เป็นจริงเนี่ยควรเห็นให้เป็นอะไรว่าให้ตรงนะง่ายสรุปว่าให้คิดยังไงก็ได้ให้เป็นไปกับมรณะอย่างหนึ่งเป็นไปกับโรคเนี่ยอย่างหนึ่งคือคือคือมองให้มันมีค่าเท่านี้จริงๆเนี่ยนะว่าที่ตายจริงๆอะ่ะไม่ใช่อะไรหรอก จริงนะพอมาเปลี่ยนจากไวยพจน์ของคําว่าอ น, นิจจังเท่านั้นเองกับทุกครังเอาว่าคุณชูมระหว่างอ น, นิจจังกับตายเนี่ยอันไหนขังกันมันไม่เที่ยงกับตายเนี่ยไหนขังกันสองคำเนี่ยนะนนกับกบารนังเนี่ยนะอันไหนขังกันเ <G ül> จนนน ฟังคำไหนดูจะสังเวชกันดูจะเข้าถึงก่อนนะใช้คําว่าทุกโอ้มันทุกข์กับโรคอันไหนขลังกันเห็นไหมเอามนมนบทไหนขลังงัอนอันนัหมอยี่ปินไหนซึ้งเหล่างันโรคกับทุกข์กับโรคกับคาว่าโรคกับคาว่าทุกข์ขลังเนี่ยนะจริงๆถามว่ามันสิ่งเดียวกันแต่อยู่ที่การใช้คําเท่านั้นเองอนะ แต่ถ้าเป็นพระพุทธเจ้านะรู้อยู่แล้วว่าคนจะเข้าถึงที่สุดด้วยศัตท์ไหนพระองค์จะรู้เนี่ยนาะยักย้ายไปตามคนแต่อย่าลืมว่าคือสิ่งเดียวกันอา้าวถามว่าสิ่งที่ตายเป็นธรรมนานี่มันของใครล่ะอ่ะแล้วสิ่งที่มันโรคเบียดเบียนอย่างเนี้ยมันของใครก็เลยเรียกว่าจาักขูเป็นอนัตตางั้มันก็ไอ้ที่ตายก็ไม่ใช่ใครที่ทุกข์มันก็ไม่ใช่ใครอะ่ะแต่ถามว่าไอ้พวกนี้มีจริงไหมล่ะก็จริงอะ่ะก็จริงอะ่ะแต่มันไม่ใช่ใคร ว่าโรคนะมรณะนะนี่รู้สึกมัน จ, ต จ, จะตเออนนจะปวดพอักังอิชจันรก็ชำนาน <laughs> นะเ <laughs> พราะฉะนั้น <im> ค, คือคือให้ใช้สับไหนก็ได้ที่ที่ที่ที่เหมาะสมที่สุดนะเ <im> นี่ยนะ <im> บางทีนะท่านบอกว่าถ้าโรคไม่ขังก็อันนี้ก็ได้เ <im> นี่ยนะ <im> แปลเป็นไทยๆว่าอุบาทเ <im> นี่ยนะว่าอุบาทก็ได้หรือเนี่ยนะภัย เนี่ยนะอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่จะหาศั์มาใช้หรือถ้ามรณะนะโรกก็ได้อันนั้เพิ่มอีกหน่อยว่าปะโรกก็ได้ น, น้ก็ก็หาศั์มาใช้ให้จริงๆแล้วคืออันนี้บริขารของสองสับเนี่ยนะหรือถ้าเพิ่มอีกหน่อยนะพวกโรคอุปัตตเนี่ยนะก็คือพยาธิแล้วก็อะไรอีกเป็นที่ตั้งของโสกะ ปริเทวะทุกโทมนัสอุปาญาตสังกิเลสสังกิเลสนี่แปลว่าเศร้าหมองนะพวกนี้ทั้งหมดเป็นบริขารของคำว่าทุกใช้แทนเพราะฉะนั้นใครขลังสับไหนที่สุดให้เอาฉับนั้นที่ที่ตัวเองเรียกว่าฟังและห้ามกิเลสได้ทันทีนะให้เอาคำนั้นถ้าคำไหนที่ดูกิเลสจะแหมโตขึ้นโตขึ้นก็หลีกเลี่ยง อนัทั้งหมดนี้ให้มองเห็นจากขู่เป็นอย่างนี้นะเสร็จ แ, แล้วก็เมื่อสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างนี้เนี่ยมันเกินการควบคุมของใครที่เป็นพรมเป็นไปตามปัจจัยของเขาอนั้นแหละเรียกว่าเป็นอนัตตาจากขูสมูทยัยไอ้สมูทัยอันนี้ถ้าว่าให้ตรงนะคืออะไรคือรูปปัญหาในอดีต รูปปตัญหาในอดีตเนี่ยนะที่ไปวิวสวยมากจิตกรรมงามมากหรืออะไรก็ได้ขอให้มันเป็นรูปปตัญหาเถอะคือสมูทัยของจักสุกเนี่ยนะสมูทัยของจักสุ <c oughs> แต่จักรสุจะงามหรือไม่งามดีหรือไม่ก็อยู่ที่ที่กรรมแต่ตัวสร้างจริงๆกลับเป็นตัญหาเจ้าของโครงการเหมือนกันเถอะเจ้าของโครงการคือตัญหา เทีนี้พอมีจักขคูนะปกติแล้วเอามาทาอะไรจักขครส่งเสริมรูปปะัะหาเนไหามีจักสูุก็จะได้ไปดูภาพงามๆเนี่ยนะก็ส่งให้เกิดรูปปัญหาต่อไปไอ้รูปปัญหานี้คืออาหารของจักสูุต่อไปเห็น ก็เห็นโทษของจักสูตที่มีเนี่ยนะพร้อมกับจักขูจักขู่สมุทยัยนี่ยสมุทัยเนี่ยที่ควรละเนี่ยจริงๆนะนะสมุทัยที่ควรละนะไม่มีใครละสมุทัยในอดีตได้ก็แสดงว่าละสมุทัยที่ได้ปัจจัยแล้วเกิดเขาเขาึงตั้งคําถามว่าถ้าละกิเลสนะเอางคนที่ละกิเลสเนี่ยละกิเลสอดีตอนาคตรหรือปัจจุบัน กุณละกิเลสไหนปัจจุบันเหรอถ้างั้นมักก็เกิดพร้อมกับกิเลสต่างหากกันคุณโจมละ ก, กิเลสอดีตอนาคตหรือปัจจุบันเห็นไหถ้าจะละ ก, กิเลสละ ก, กิเลสอดีตอนาคตหรือปัจจุบันทุกการละหมดเลย ที่มักที่ที่เจริญมักเพื่อละกิเลสใช่ไหมหลักิเลสอะไรละกกิเลสอดีตถ้ากิเลสอันนี้หมดต่ปัจจุบันหมดแล้วก็หมดเกลื่อนปัจจุบันมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนคนที่เจริญกิเลสมันเกิดมากขนาดนั้นเลยอะระหว่างเจริญนี่น <learnt? S 1> ะร<อ>ะหว่างเจริญอย่างนี้ในกะิเลสมันเกิดใช่ไหมเป็นสมุอนที่เป็นสมุไทยเห็น บอกนี่มันเป็นสมุทัยแล้วมันเป็นอดีตอนาคตรหรือปัจจุบันคำถามมีคำถามมีนะเขากำถามว่าเอานะกอกเอาจากคูจากคูสมุทัยเนี่ยนะนีโร่ถ้าไม่เป็นไปอ่ะคือการละตันหาในจากคูใช่ไี่ตันหาที่จะละในจากคูนี่ละตันหาอาดีตอนาคตรหรือปัจจุบัน ละจับคุที่จะเกิดในอนาคตนะครับและละไอ<ห>ที่ที่ละเนี่ยละกิเลสละตัณหาในปัจจุบันที่ไปติดในจับคุในปัจจุบันเอางั้นก็ท่านก็บอกว่าเอาถ้าอย่างนั้นนะมร ก, ก็เกิดพร้อมกับกิเลสสิมรเกิดพร้อมอาคือคือมรก ก, กิเลสเกิดพร้อมกันได้ไหมไมได้อ้าวไม่ได้แล้วปัจจุบันได้ยังไงก็ตัวมรก่นเกิดเป็นปัจจุบันแล้วก็มันก็ก <Bing> ั <อา S 1> นี่เดียวเา แน่นะเาะมันคนละนาดกี่แล้ครับโอ้โหมาร์กนี่มันเฉียดกิเลสขนาดนั้นเลยไม่รู้แล้วคนเด่นมา้ไงมั้งเดี๋ยวฟุการเดี๋ยวจะหมดเล้าสักกันอนนั้นอ้าไปละกิเลสนะอดีตอ้ามันดับไปแล้วนี่ไปละทาอะไรอ้าวมันอ้ามันเหลือหรือตอนนี้มันอยู่ตรงไหนอ่ะอ้าวสมมติว่าอ้าวเคยโกรธนะ ไปละกิเลสโกรธไม่โกรธในอดีตไปละทำอะไรมันก็หมดไปแล้วมันดับไปแล้วถ้ากิเลสอนาคตเอามันมันไม่ทันเกิดเลยจะดับมันไปทำอะไรอย่างเงี้ยเอาเอายางงี้นะว่าปกติทั้งหลายกิเลสเนี่ยมันมันเกิดรอมั้ยคือคือคื อ, ค อ, ค อ, ค อ, คอทตามตามหลักธรรมะจริงๆนะอาศัยจากโข ก, กับรูปเกิด จากขวิญญาณความประชุมของธรรมะสามอย่างเป็นภาษาภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาถามว่ามันเกิดรอเลยใช่ไหมไม่เมื่อมันได้ปัจจัยคือมีจากสุขอาศัยรูปในรูปปัจจัยมันจึงเกิดทีหลังเมื่อมันได้ปัจจัยแล้วมันเกิดมันได้ปัจจัยแล้วเกิดถามว่าทําไมมันได้ปัจจัยแล้วมันจึงเกิด เอาเลยงั้นก็นี่ถ้ามักคุณวิลาวันนะใช้พัสดเตอร์สองอันปิดตาแล้วมันไม่มีหรอก <S <S มักในผู้าศาสนาใช้พัสดเตอร์อไม่มีปิดตาไม่มีคือเอางี้นะว่าเราก็เราเข้าใจเงื่อนไขปกติทั่วๆไปก่อนนะว่า ตันหาเวลาเกิดนะอาศัยจากขูกับรูปเกิดจากขูวิญญาณธรรมะสามอย่างประชุมกันเป็นภาษาภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตันหามันได้ปัจจัยแล้วตันหาอันนี้มันจึงเกิดทําทําไมมันจึงเกิดพอมีตาปั๊บทำไมจึงเกิดก็บอกว่าเพราะคุณไม่ได้ทําปริญญาอันนี้เอาไว้เลยบุคคลผู้ไม่ทําปริญญาเหล่านี้ในจักรสุ ถือว่าเป็นทวารของตันหาเนี่ยนะทวารของตันหาแต่ถ้าผู้ที่ทําปริญญาเสร็จนะ <reasoning. S 2> ตันหามันไม่เกิดเขาบอกว่า <they> แล้วแล้วมรคที่เกิดเนี่ยมันละกิเลสอะไรเขาบอกว่ากิเลสปกติมันได้ปัจจัยแล้วมันเกิดทีนี้ถ้าเจริญมรคเสร็จก็ตัดปัดใจซะเะนั้นจึงไม่ใช่ละกิเลสอดีตอนาคตหรือปัจจุบันที่นะกิเลสอนาคตมันยังไม่ทันเกิดเลย แต่รู้แน่ว่าถ้าไม่ทำปริญญาในอันนี้เกิดแน่ก็ขณะทปริญญาครับมันเท่ากับว่ามันไปลเแล้วครับละยังไงเาละก็แล้วตอนนั้นมีกิเลสไหมตอนนั้นขณะทเนี่ยไม่มีครับอาก็ไม่มีอะติก็ก็ก็มันไม่มีอะติแต่ถ้าไม่ทำแล้มันมีเอาติเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นจึงบอกว่าไม่ต้องไปว่ากิเลสอดีตอนาคตหรือปัจจุบันกิเลสถ้ามันได้ปัจจัยแล้วมันเกิดแต่ถ้าเจริญมรรษะมันปกติแล้วปุตุชนผู้ไม่เจริญแล้วมันเกิดพาิยะผู้เจริญอันนี้เสร็จกิเลสไม่เกิดต่างกันตรงนี้